วันนี้พวกเราจะมาเสริมความเป็นเสริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการฟังเทศฟังรธรรมนี้ มีอนิสงส์มีประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขและความเจริญดังในพระสูตรในมงคอลสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้ว่ากาเลนะธรรมิสวนังเอตัมมังกลมุตตะมังการฟังเทศฟังธรรม ตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการฟังเทศจะทําให้เราได้รับประโยชน์อยู่หประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว เมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิและห้า ทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมการที่จะได้รับอานิสงส์นี้การฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมีศีลมีสมาธิลองรับถึงจะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาได้ ศีลก็คือกายวาจาของเราสงบเช่นขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเราไม่ควรทำกิจกรรมอย่างอื่นควรจะนั่งเฉยๆวาจาก็ไม่ควรพูดคุยกันควรจะนั่งเฉยๆนั่งเงียบๆไม่พูดจาไม่สนทนากันไม่ทำกิจกรรมต่างๆ เรียกว่าการมีศีลของการฟังธรรมแล้วก็ต้องมีสมาธิคือใจต้องจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วเข้ามาสู่ใจอย่าปล่อยให้ใจไปทำอะไรไปคิดเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่การบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออก ก็ไม่ควรที่จะกระทาในขณะที่ฟังธรรมควรฟังเสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติจดจอ่ออยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รับประโยชน์ห้าประการเหล่านี้ แล้วประโยชน์ที่เราได้รับนี้ก็จะเป็นแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของพวกเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความเสื่อมน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธศ า, าสนิกชน พึงกระทากันอย่างต่อเนื่องในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยโบราณท่านกำหนดวันธ ร, รมัดสวราวันฟังธรรมไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆแล้วไปที่วัดเพื่อไปฟังเทศน์ฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรมกัน เพราะทนี้มีคุณค่ามาหาศาลมากยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจยุติการเวียนว่ายตายเกิดของใจได้แต่กลับจะเป็นเหตุ ที่ทำให้ใจมีความทุกข์และทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆการทำมาหากินหาเงินหาทองนั้นควรจะทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็พอคือเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติเสุขอให้มีปัจจัยสีพร้อมบริบูรณ์ เพื่อที่ร่างกายจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเช่นให้มีอาหารพอเพียงมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มพอเพียงมีที่อยู่อาศัยพอเพียงและมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บพอเพียงถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ควรที่จะเอาเวลา ไปใช้กับการสร้างธรรมะกันจะดีกว่าเพราะเรายังไม่ค่อยมีธรรมะกันเรายังตกอยู่ในกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเรามัวแต่เอาเวลาที่มีค่านีม่มาหาเงินหาทองแบบไม่มีขอบไม่มีเขต แล้วก็เอาเงินที่หามาได้ไปซื้อสิ่งของต่างๆไปกระทำอะไรต่างๆตามความอยากของใจมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมกัน เราก็จะไม่สามารถที่จะยกระดับจิตของเราพัฒนาจิตใจของเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆซึ่งการเกิดแก่เจ็บตายแต่ละครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะเวลาแก่นี้มันทุกข์ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกเวลาตายเวลาพัดพลาคจากของที่เรารักบุคคลที่เรารักก็เป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นถ้ายังมีการเกิดอยู่มีวิธีเดียวที่จะทำให้หนีพ้น จากความทุกของการแก่การเจ็บการตายก็คือการที่ไม่เกิดนั่นเองถ้าเราไม่มีเกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากการตามมาแต่ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตาย การพัดผาาจากการตามมาอยู่เสมอดังนั้นเราจึงไม่ควรเสียเวลาให้กับการไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินความจำเป็นเพราะมันจะไม่สามารถที่จะมาทำให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ก็เพียงแต่ทำให้เรา กินอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปแต่ร่างกายนี้ใจกินอยู่อย่างสุขสบายมากน้อยเพียงไรก็จะต้องหมดสภาพไปก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและก็จะต้องตายไปเวลานั้นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถมายับยัง้งความแก่ความเจ็บความตาย ความทุกข์ทางร่างกายได้เลยดังนั้นเราจรึงควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องแบ่งเวลาไว้ให้กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่เดือดร้อนแล้วให้เรามาหาธรรมะกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน แล้วเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติกันเมื่อเราได้ฟังแล้วดูว่าเราต้องปฏิบัติอะไรเราก็นำออกไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะมีธรรมเป็นที่พึ่งของใจธรรมนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่ปกป้องจิตใจของพวกเราไม่ให้มีความทุกข์ต่าง อย่างที่พวกเรามีกันอยู่ในตอนนี้ความทุกข์ต่างๆที่เราไ่อยู่ในตอนนี้เราสามารถกำจัดให้หมดไปจากใจของเราได้ถ้าเรามีธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีธรรมมีแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีแต่ลาบยศสรรเสริญมีแต่รูปเสียงกลิ่นรสให้เราเสก เราเนี่ยก็จะไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หายไปให้หมดไปไดนะ้ดังนั้นอย่าไปหลงไหลกับการหาทรัพย์สมบัติเงินทองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพะเพราะมันไม่ได้เป็นวิธีที่จะมา ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราแต่กลับจะเป็นแต่กลับจะทำให้ใจของเราเกิดมีความทุกข์เกิดมีความวุ่นวายมากขึ้นไปเสียอีกเพราะความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปุธพะนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเวลาที่เราจเจริญในลาบยศสรรเสริญ เจริญในรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะเราก็มีความสุขกันแต่รูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะราบยศสรเสริญสุขนี้มันเป็นอนิจจังคําว่าอนิจจังก็คือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของที่มีเจริญและมีการเสื่อมได้มีการเกิดมีการดับได้มีการมามีการไปได้ เวลามามันก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลามันไปนีมันจะให้ความทุกข์กับเราเป็นอย่างมากเวลาที่เราสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายปานนี้บางทีเราอาจจะอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยสาเหตุที่คนเราฆ่าตัวตายกันก็เพราะว่ามาสูญเสียลาบยศสรรเสริญ สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปเช่นเวลาล้มละลายมีเงินทองหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินทองเหลือหมดเนื้อหมดตัวเคยร่ำเคยรวยเคยเป็นใหญ่เคยเป็นโตพอวันดีคืนดีชะตากรรมมันมันมันเพลกผันไป ทำให้ความร่ำรวยนั้นหายไปหมดทำให้เราล่มละลายไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองเคยเป็นใหญ่เป็นโตก็ถูกปลดถูกตัดไปเคยมีผู้คอยสนับสนุนยกย่องสนรเสริญรับใช้ต่างๆก็ไม่มีเคยมีความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นลดต่างๆ แต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะเสพได้เวลานั้นแหละเป็นเวลาที่อยากจะฆ่าตัวตายกันคนที่สูญเสียคนรักไปคนที่สูญเสียสิ่งที่ตนรักไปนี้มักจะคิดผิดกันเพราะคิดว่าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีความสุขอยู่ต่อไปก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ ก็เลยคิดแก้ปัญหาของความทุกข์ทรมานใจนี้ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าเมื่อตายแล้วความทุกข์ทรมานใจต่างๆก็จะหมดไปแต่ความจริงนั้นมันการฆ่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นไปเป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ทรมานใจ แต่ตัวที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจก็คือความอยากของเรานี้เองเราอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะไม่ล้มละลายอยากจะไม่สูญเสียสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักไปพอเกิดการสูญเสียขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทรมานใจ เราก็ต้องมาดับที่ต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจก็มาหยุดความอยากต่างๆอย่าไปอยากให้ร่ำรวยไปตลอดเราต้องพร้อมที่จะรวยได้จนได้เมื่อก่อนเราก็จนมาก่อนเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็อยู่ได้พอเรารวยแล้วเรากลับมาจนใหม่เรากลับอยู่ไม่ได้ เมื่อก่อนเราไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองเราก็อยู่ของเราได้พอเรามีคู่ครองแล้วเรามาเสียคู่ครองไปเรากลับอยู่ไม่ได้เสียแล้วที่อยู่ไม่ได้เพราะไม่อยากอ ย, กอยู่แบบอยู่คนเดียวอยากอยู่แบบมีคู่ครองแต่มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะดึงมันกลับมาได้แล้ว เราสูญเสียคู่ครองไปแล้วเราต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราหยุดความอยากที่จะให้กลับไปอยู่เหมือนกับสมัยที่มีคู่ครองอยู่ด้วยมันก็จะทำให้เราทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนใจบอกว่าอยู่คนเดียวก็ได้คนอื่นที่เขาอยู่คนเดียวทำไมเขาอยู่กันได้ทำไมเขาไม่เดือดร้อน ก็เพราะว่าเขาไม่มีความอยากที่จะเป็นอย่างอื่นนั่นเองเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็มีความสุขกับสภาพของเขาได้เขาเป็นคนยากคนจนเขาก็อยู่ได้คนที่เขายากจนกับเราทำไมเขายังอยู่ได้แต่เราทำไมอยู่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราเคยร่ำรวยมา ก, ก่อนเดี๋ยวนี้เรา หมดจากความร่ำรวยแล้วแต่เราก็ยังมีฐานะที่ดีกว่าคนยากจนกว่าเราเช่นพวกขอทานถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็จะได้มาแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาของเราก็คือความอยาก พอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะเสียใจอยากร่มรวยแล้วพอไม่ร่ารวยเราก็เสียใจหรืออยากร่ารวยไปเรื่อยๆไปนานๆไม่ยากจนไม่ล้มละลายแต่เหตุการณ์บางครั้งมันก็ห้ามไม่ได้การล้มละลายเวลามันจะล้มขึ้นมาก็ไม่มีใครมาห้ามมันได้ แต่เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรเพราะความทุกข์ทรมานใจก็ยังมีอยู่ในใจและกลับจะเพิ่มความทุกข์ทรมานใจให้มากขึ้นเวลาฆ่าตัวตายนี้มันจะยิ่งทุกข์ยิ่งไปกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเราก็ไม่ได้ไปแก้ความยากไม่ได้ไปกําจัดความอยา ความอยากนี้มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่พอเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมีความอยากแบบเดิมอยากรวยอยากไม่จนพอมาเจอสภาพล่มจมขึ้นมาก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายอีกเพราะมันเป็นวิธีที่เราเคยแก้ปัญหามาในอดีตเราก็จะ เอามาแก้ในในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็จะทำให้เราแก้ปัญหาแบบไม่ถูกจุดทำให้เราต้องกลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรายังมีความอยากรวยยังมีความอยากไม่จนอยู่ถ้าเราอยากที่จะแก้ปัญหาให้ถูกจุดเราต้องมาแก้ปัญหาที่ความอยากรวยความอยากไม่จนนี้ ถ้าเราไม่มีความอยากรวยอยากไม่จนเราจะอยู่กับความรวยก็ได้อยู่กับความจนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรรวยก็อยู่ได้จนก็อยู่ได้ไม่ทุกข์แล้วเราถ้าไม่มีความอยากรวยไม่มีความอยากไม่จนเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมามีร่างกายอันใหม่ กลับมาหาความรวยใหม่เพราะเราไม่มีความอยากรวยแล้วเรามีสิ่งที่ดีกว่าคือความอยากไม่รวยความอยากไม่ไม่จนนี้มันจะทาให้ใจเราสงบทาให้ใจของเรามีความสุขความอยากนี้ทำให้ใจของเราทุกข์พอเราหยุดความอยากได้ใจของเราก็จะเกิดความสุขเกิดความพอใจขึ้นมา ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกข์กับความรวยกับความจนใหม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือความจริงสี่ประการด้วยกันที่มีอยู่ภายในใจของพวกเรา แต่พวกเรามองไม่เห็นกันความจริงข้อที่หนึ่งเรียกว่าทุกข์กษัตริย์ความทุกข์ของใจเหล่านี้ความไม่สบายใจของเหล่านี้อยู่ที่การเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่การพลดพลาดจากกันเวลาเราแก่เราทุกเวเวลาเกิดเราก็ทุกข์แล้วพอเมื่อเกิดเราก็ต้องดิ้นรน หาอาหารหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเวลาใดที่เราขาดแคลนปัจจัยสี่เวลานั้นร่างกายก็เดือดร้อนพอร่างกายเดือดร้อนใจก็เดือดร้อนไปกับความเดือดร้อนของร่างกายเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายเดือดร้อนนั่นเองเวลาร่างกายแก่ก็เช่นเดียวกันเวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตาย เวลาที่น่างกายพัดภาคจากบุคคลต่างๆก็เกิดความทุกข์ใจกันด้วสาเหตุของความทุกข์ใจก็เป็นอริยสัจข้อที่สองความจริงข้อที่สองคือสมุทัยสมุทัยยาศยาสจะสมุทัยยาศยา์จะแปลว่าต้นเหตุ ของความทุกข์ใจข้อหนึ่งเราเรียกว่าความทุกข์ใจความทุกข์ใจคือความแก่ความเจ็บความตายการพัาดพลาดจากกันข้อสองเรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็เกิดจากการมีความอยากต่างๆนั่นเองพอมีความอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลินรสพุทธะก็จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็เลยต้องมาหาร่างกายเวลาร่างกายอันเก่าตายไปเช่นชาติก่อนเรามีร่างกายเหมือนชาตินี้แต่ร่างกายของเราในชาติก่อนนี้มันก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีพอร่างกายอันเก่าตายไปใจที่มีความอยาก ที่จะหาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะดึงให้มาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดเนี่ยต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็คือสมุทัยยศาสตคือการวาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่เองอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เรา กลัมาเกิดแก่เจ็บตาย ก, กันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากสามประการนี้อยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศ ส, สรรเสริญอยากร่ำ อ, อยากรวยอยากให้เจริญในลาบยศ ส, สรรเสริญสุขเรียกว่าภวะตันหาอยากไม่ให้ลาบยศ ส, สรรเสริญสุขเสื่อมเรียกว่าวิภวะตันหาอยากที่จะเสพความสุขด้วยตาหูจบูกร้างกาย เรียกว่าการมตัญหานี่คือตันหาทั้งสามที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่คอยผลิตความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับพวกเราตลอดเวลาเพราะเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็ต้องดิ้นหนนต่อสู้เลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาเผชิญกับความแก่เผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเผชิญกับความตาย นี่คือความทุกข์ใจที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพราะความอยากของพวกเรามีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนแต่เรากลับไม่เห็นโทษของความอยากแทนที่เราจะตัดความอยากให้มันหมดไปเรากลับส่งเสริมความอยากเวลาอยากได้อะไรเราก็ตอบสนองความอยากทันทีอย่างนี้เรียกว่าเป็นการส่งเสริมความอยาก ให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปต่ออายุให้กับความอยากด้วยการทำตามความอยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสู้ความจริงอันนี้พวกเราก็จะไม่มีวันรู้เราก็จะทำตามความอยากกัน อยากดูอยากฟังเราก็ไปทํากันโดยที่ความหลงความเห็นผิดเป็นชอบที่ไปคิดว่าทําแล้วจะมีความสุขอยากดูหนังไปดูหนังอยากฟังเพลงไปฟังเพลงอยากกินอยากดืมอยากจะไปทําอะไรต่างๆ <c oughs> ก็ไปทํากันเพราะเวลาทําแล้วมันรู้สึกสบายใจขึ้นสาเหตุที่มันสบายใจก็เพราะว่า เวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมานี้ใจเราจะไม่สบายใจเราจะหงุดหงิดลำคาญใจเราเลยต้องไปทําตามความอยากเพราะพอเราได้ทําตามความอยากแล้วความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงชั่วคราวทำให้ความหงุดหงิดํำคาญใจมันหายไปเราก็เลยคิดว่าการทําตามความอยากนี้เป็นวิธีดับความทุกข์ เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับเราแต่เรามองไปไม่ไกลเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวดับความหงุดหงิดความลำคาญใจชั่วคราวเพราะเดี๋ยวไม่นานความอยากที่จะไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานไปเที่ยวอะไรตามสถานที่ต่างๆก็จะกลับขึ้นมาใหม่ แล้วถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่สบายใจเราก็จะหงุดหงิดลำคาญใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้มีความอยากอันใหม่โผล่ตามมาที่หลังแล้วจะโผล่มาเรื่อยๆตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้ เราได้ทาตามความอยากกันมาตลอดแต่ความอยากมันหายไปมันหมดไปหรือไม่มันไม่หมดมันกลับมีมาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์แต่เป็นวิธีสร้างความทุกข์สร้างความอยากขึ้นมใหม่อยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงพบวิธีที่จะดับความทุกข์การดับความทุกข์ การที่ความทุกข์จะการการดับของความทุกข์นี้ก็เป็นสัจจะข้อที่สามว่าความทุกข์ที่เกิดนี้เราสามารถทําให้มันหายไปได้และหายแบบท้าวรไม่ได้หายแบบที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้การดับทุกข์ใจของพวกเรานี้มันดับเป็นเพียงชั่วคราวเวลาอยากทําอะไรพอได้ทําแล้ว ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่พระพุทธเจ้านี้ได้ทรงพบว่าการจะทําให้ความทุกข์นี้ดับไปอย่างทาวรนี้ก็มีวิธีอยู่ข้อที่ข้อทสามคือทรงรู้ว่าเราสามารถดับความทุกข์ทางใจได้อย่างถาวรนและสัจจะ อริยสัจข้อที่สคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการดับความทุกข์อย่างถาวรก็มีอยู่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเพราะว่าต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจก็มีอยู่ในใจของเราแลนะเหตุที่จะมาดับความทุกข์ใจก็มีอยู่ในใจของเราเช่นเดียวกัน เอ๋ที่จะทำให้ใจของเราดับความทุกข์ต่างๆได้ก็คือความสงบของใจและความฉลาดของใจถ้าเราทำใจให้สงบได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็จะหยุดไปแล้วถ้าเรามีปัญญามีความฉลาดมีความรู้ทันว่า ความทุกข์ความไม่สบายใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเองถ้าเราอยากที่จะให้หายจากความไม่สบายใจหายจากความทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากของเราพอเราหยุดความอยากของเราได้แล้วความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆก็จะหายไปและเครื่องมือที่จะมาทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ พระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามร์มร์ก็คื อ, อความจริงข้อที่สมร์คือเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ใจของพวกเราในการที่เราจะเอามาหยุดความอยากต่างๆของพวกเร า, าหยุดด้วยมร์มร์ก็มีทานศีลภาวนานี้เองทําทานเราก็จะหยุดความอยากได้ในระดับหนึ่ง รักษาศีลเราก็จะหยุดความอยากได้อีกระดับหนึ่งแล้วภาวนาก็จะทําให้เราหยุดความอยากได้เต็มที่หยุดได้อย่างถาวรเราต้องเจริญมรรคกันพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราอยากจะดับความทุกข์อย่างถาวรเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาหยุดความอยากกัน นะเครื่องมือที่เราจะใช้ในการหยุดความอยากก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เองเราต้องมาสร้างธรรมะกันสร้างมรรคกันสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาแทนที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆเอาเงินมาทำบุญทาทานกันแทน ทำแล้วจะมีความอิ่มใจสุขใจทาแล้วจะทำให้ความอยากที่จะเอาเงินไปทำตามความอยากนี้หายไปหมดไปต่อไปถ้าเกิดเราไม่มีเงินเราก็อยู่เฉยๆได้เพราะเราไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปทำตามความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นทุกครั้งที่เราจะเอาเงินทองไปใช้ตามความอยาก เราต้องฝืนอย่าไปทำเอาเงินนั้นมาทำบุญทำทานแทนหรือเอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเราจะดีกว่าเอามาเก็บไว้สำรองไว้สำหรับใช้ในอนาคตเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราไม่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองมาเยียวยาดูแลรักษาของเรา ร่างกายของเราได้เราก็มีเงินทองที่เราเก็บเอาไว้นี้มาใช้จ่ายแทนถ้าเราเอาไปใช้ตามความอยากใช้ไปแล้วมันก็หมดนะแต่ความอยากไม่หมดนะพอไม่มีเงินทองแล้วอยากจะใช้เงินทองเวลานั้นก็จะทุกข์จะทรมานใจและอาจจะให้ทำให้เราต้องไปทำสิ่งที่เกิดโทษกับเราต่อไป เช่นไปกู้หนี้ยืมสินกู้แล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะคืนเขาได้เราก็จะต้องเสียสมบัติเช่นบ้านที่ดินไปแล้วต่อไปเราจะไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่หยุดความอยากเราถ้ามีความอยากแล้ว เ, เงินทองไม่พอใช้ เราก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือถ้า้ายก่อนนั้นก็ไปทำผิดศีลผิดธรรมไปทำผิดกฎหมายไปหาเงินทองเพื่อที่โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องอเช่นไปโกโหกหลอกลวงอเอาเงินจากผู้อื่นหรือไปช่อโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกจับไปลงโทษ นี่เป็นผลที่ตามมาจากการที่เราไม่ควบคุมไม่หยุดความอยากต่างๆมันจะเป็นตัวที่จะพาให้เรานเดินเข้าหาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆหรือสำหรับบางคนก็พอจนแล้วก็คิดฆ่าตัวตายแทนเพราะไม่มีปัญญาที่จะหาเงินหาทองมาใช้ได้เหมือนแบบเมื่อก่อนน แล้วก็ไม่อยากจะไปรักทรัพย์ไม่อยากจะไปโกหกหลอกลวงไปกู้หนี้ยืมสินก็เลยคิดว่าค่าตัวตายดีกว่าอันนี้ผลที่เกิดจากการที่เรากระทำตามความอยากกันความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตมันขยายตัวกว้างไปเรื่อยๆมีมากก็อยากมากมีน้อยก็อยาก บางทีถ้าเคยอยากมากแล้วมาก็อยามาอยากน้อยไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเราอยากน้อยได้ตอนที่เรามีทรัพย์น้อยเราก็อยากน้อยๆยแต่พอเรามีทรัพย์มากเราก็อยากมากพออยากมากแล้วเรากลับมามีทรัพย์น้อยเราก็ลดความอยากมาให้อยากน้อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้พออยาลดไม่ได้มันก็ทุกทรมานใจเพราะจะไม่สามารถ ทำสิ่งที่เราอยากทำได้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาสร้างมักกันมาเอามาสู้กับความอยากกันอย่าเอาเงินเอาทองไปซื้อตามความอยากถ้าอยากจะใช้เงินทองก็เอาไปทําบุญทําบุญแล้วก็จะมีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์อย่างแรกก็คือทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ ทำให้เราลดความอยากลงไปได้แล้วถ้าเรายัางไม่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะมีทรัพย์รอรับเราอยู่เราก็จะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นลูกพระราชามาหากษัตริย์บ้างเป็นลูกของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจวาสนามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง รอเราอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้เงินใช้ทองก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจทําให้เราลดความอยากที่จะใช้เงินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลได้แล้วถ้าเราไม่อยากจะทําบุญ แล้วเพราะว่าเรายังต้องเก็บเงินทองไว้ก่อนเราก็เก็บเงินทองไว้ก่อนต่อไปเวลาที่เราขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้เนื่องจากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เราก็จะมีเงินที่เราสะสมไว้นี้มาดูแลชีวิตของเราให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขนี่คือ เครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันให้มาทำทานกันบ่อยๆทำแล้วจะมีความสุขใจเวลาอยากจะไปเที่ยวก็มาทำทานแทนเวลาอยากจะไปใช้เงินตามความอยากซื้อของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อก็เอาเงินนี้มาทำบุญมาทำทานกันแล้วก็จะทำให้เรานี้หยุดความอยาก ทำบาปได้หยุดความอยากที่จะไปเสพอบายามุกต่างๆได้คนที่ทําบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่มีจิตเมตตาจะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นหรือตนเองการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิด ต, ตเวนีการพูดปดนี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนตนเอง เช่นเดียวกับการเสพสรายาเมาการเสพอบายย า, าุกต่างๆอันนี้ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองเพราะจะทำให้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้มันหมดไปได้อย่างง่ายได้เรื่องการพนันนี้ก็ได้ก็อยากจะได้มากเพิ่มขึ้นเสียก็อยากจะเอาคืนก็จะต้องเล่นไปจนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวได้ เืิมสุรายาเมาก็จะเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพเสียทั้งสติไม่มีประโยชน์มีแต่โทษคนที่ใจบุญคนที่พบกับความสุขที่เกิดจากการทำบุญก็จะไม่ชอบทำบาปจะไม่ชอบเสพอบายามุกก็สามารถที่จะหยุดความอยากที่จะไปในทางที่ไม่ดีได้ พราคนที่ไปเสพอบา ย, ยมุกคนที่ไปทำบาปนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายจะไม่มีวันที่จะไปหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้และจะไปเกิดในที่ไม่น่าปรารถนาไปอบายนี้ก็เป็นเหมือนคุกตารางดีๆนี่เองไม่มีใครอยากจะไปติดคุกติดตารางกัน แต่ทำไมเขาถึงต้องสร้างคุกตารางกันขึ้นมาก็เพราะว่ามีคนชอบทำบาปกันนั่นเองชอบทำผิดกฎหมายกันก็เลยจาเป็นที่จะต้องสร้างคุกสร้างตารางเพื่อมากักขังคนเหล่านี้ไว้เพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นถ้าเราทำบุญทำทานเราจะลดความอยากที่จะไปทำบาปได้ก็จะทาให้เหล่านี้ สามารถที่จะป้องกันชีวิตของเราไม่ให้ไปตกอยู่ในที่ไม่ไม่พึงปรานาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปล้มละลายไม่ต้องไปหมดเนื้อหมดตัวอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแก้ความอยากข้อที่สองคือการรักษาศีลการละเว้นการเสพอบายามุขต่างๆและข้อที่สามก็คือ หยุดความอยากด้วยการทาใจให้สงบความอยากนี้เกิดจากความคิดใช้ความคิดนี้เป็นเครื่องมือเป็นผู้นำทางเช่นก่อนที่เราจะอยากได้อะไรเราต้องคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้ก่อนเช่นพอเราคิดถึงขนมนมเนยเราก็อยากจะกินขึ้นมาคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปคิดถึงแฟน ก็อยากจะไปอยู่กับแฟนแต่ถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้ความอยากมันก็จะไม่มีถ้าเราอยู่กับความว่างความอยากมันก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาความว่างก็คือว่างจากความคิดต่างๆนี้เองว่างจากความคิดเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญว่างจากความคิดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลดตภัณพะว่างจากความคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าเราทำใจให้ว่างได้ไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ความอยากก็จะโผล่ออกมาไม่ได้พอไม่มีความอยากใจก็สงบนิ่งแล้วความสงบนิ่งจะให้ความสุขกับเราที่ไม่มีความสุขอนใดในโลกนี้ดีเท่าความสุขที่เกิดจากความนิ่งสงบของใจนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นความสุขที่ดีที่สุด อันนี้เกิดจากการที่เราควบคุมความคิดของเราวิธีที่เราจะหยุดความคิดของเราเราต้องใช้สติถ้าเรายังไม่มีสติเรายังหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสิ่งที่จะสร้างสติขึ้นมาก็คือการระลึกถึงคำใดคำหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นๆเช่นให้เราร ะ, ะลึกถึง ชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธให้เราบริกรรมหรือท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะหยุดความคิดต่างๆเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเรามีพุทโธอยู่เรื่อยๆภายในใจความคิดต่างๆก็จะไม่สามารถคิดได้เมื่อไม่คิด ความอยากต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เมื่อความอยากโผล่ขึ้นมาไม่ได้ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นใจก็จะมีความสุขอันนี้วิธีแรกวิธีที่ทำใจให้สงบทำใจทาให้ความอยากนั้นหยุดทำงานแต่ความอยากนี้ยังไม่ตายจากการใช้สติหยุดมันถ้าเราอยากจะทำให้มันตายอย่างถาวร เราต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือเหตุผลนี่เองเหตุผลที่เรามาวิเคราะห์ดูตามความเป็นจริงใจของเราเวลาสงบมีความสุขแต่พอเกิดความอยากขึ้นมาความสงบหายไปความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นโทษของความอยากว่าเวลาเกิดความอยาก ยังไม่ทันได้ของที่เราอยากเลยเพียงแต่คิดอยากท่านี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเช่นตอนนี้นั่งอยู่เฉยๆสบายแล้วพอเกิดความคิดอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาคิดถึงบุหรี่พอคิดถึงบุหรี่แล้วก็อยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้หรือถ้าคิดถึงเครื่องดื่มที่เราโปรดที่เราชอบดื่ม พอคิดถึงมันความอยากจะเดือดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะความหุดหงิดนำคาญใจมันโผล่ขึ้นมาแล้วต้องไปทำตามความอยากพอไปทำความอยากมันก็จะระ ง, งับความอยากไว้ชั่วคราวทำให้เรารู้สึกว่าความหงดหงิดงํดำคาญใจหายไป แต่มันไม่ได้เป็นวิธีที่ทำให้หายอย่างถาวรเท่า น, ทนั้นเองมันจะเป็นวิธีบรรเทาไว้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะโผล่กลับขึ้นมาใหม่ลกลับมาแรงกว่าเก่าเคยได้แค่นี้คราวหน้าอยากจะได้มากกว่านี้เคยดื่มแค่นี้คราวหน้าอยากจะดื่มมากกว่านี้ความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ เราต้องใช้เหตุผลใช้ปัญญาว่าการที่เรามีความอยากนี้ปล่อยให้ความอยากเกิดขึ้นมาในใจนี้เป็นการมาสั่นคลอนจิตใจมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราอันนี้เป็นความไม่สบายใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าเราไปทำตามความอยากพอเราทำแล้วเราก็จะติดเราก็จะต้องทาอยู่เรื่อย แล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถทำได้เราก็จะทุกข์ทรมานใจแล้วต่อไปเราจะต้องไม่สามารถทำตัดสิ่งที่เราอยากทำได้เพราะต่อไปร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่มีร่างกายหรือเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเราก็จะไม่สามารถทาตามสิ่งที่เราอยากทำได้เวลานั้นเราก็จะอยู่กับความหงุดหงิดความลำคานใจอยู่เรื่อย คนที่เป็นอมภพกอมภาพนี่สังเกตดูคนที่ดูแลนี่ก็บอกว่ามีอารมณ์หุดหงิดมากเพราะไม่สามารถทําอะไรตามใจยอยากได้เอาใจยากเพราะว่าความอยากที่จะทําใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทําอะไรนี้ไม่สามารถถัดใช้มันได้แล้วเพราะเป็นอมพภพเป็นอมภาเนี่ย อันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการไปทาตามความอยากแล้วความทุกข์อีกอย่างก็คือสิ่งที่เราอยากได้มาเราได้มาแล้วมันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเวลามันจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเช่นเราอยากจะมีแฟนพอเราได้แฟนมาเราก็จะมีความสุขใจ แต่พอแฟนจากเราไปเราก็จะต้องทุกจะต้องเสีย อ, อกเสียใจเ evet. พราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้นแน่นอนไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างในโลน ก, น, กนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายของคนทุกคนนี้เป็นของชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราของแฟนเราเขาก็เป็นร่างกายชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องจากเราไปพอเขาจากเราไป ความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ไปนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของการทําตามความอยากพอเราเห็นแล้วว่านําสู่ไปนำเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่การดับทุกข์เนี่ยเราก็จะได้ไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะหายไปจะไม่กลับโผล่ขึ้นมาอีก อันนี้คือวิธีที่ดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงทําลายความอยากอย่างถาวรต้องทําลายด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลคิดตามหลักของความเป็นจริงคนที่มีความอยากนี้กับคนที่ไม่มีความอยากนี้ใครสบายกว่ากันเพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกนี้ท่านหยุดความอยากได้หมดแล้วหยุดกามตัะหาภวตันห า, ะ ว, ะนหาวิภวะตันหาได้หมดแล้ว ท่านจึงไม่ต้องกลับมาทุกข์เหมือนพวกเราท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราพวกเราอาจจะเกิดในสมัยพระพุทธการแล้วก็ตายในสมัยพระพุทธการเหมือนกับพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้าท่านไม่กลับมาเกิดแล้วแต่พวกเราที่ยังไม่ได้หยุดความอยากที่ยังส่งเสริมความอยากอยู่กลับ <aker to S 1> ต้องมาเกิดในภพนี้ แล้วก็กลับมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายกับการพัดผ้าจากกันกับการวิ่งหาสิ่งต่างๆตามความอยากอันนี้เราต้องเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของความอยากว่าเป็นตัวที่จะชุดลากให้เราเข้าสู่กองไฟของความทุกข์ทั้งหลายกองไฟกองทุกข์ทั้งหลายก็คือ สิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้นะั้นมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งมันต้องจากเราพอมันจากเราแล้วเราก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่ามรคเป็นความจริงข้อที่สี่ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนมีอยู่สี่ข้อที่ทรงตัดจะรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อน ความจริงสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจที่เกิดที่มีการเกิดแก่เจ็บตายสาเหตุของความทุกข์ใจสาเหตุของการมีการเกิดแก่เจ็บตายก็คือตั้หาความอยากต่างๆสามข้ออยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขแล้วก็อยากไม่ให้ลาบยศเสรเสริญสุขเสื่อมจากเราไปนะ มีความอยากเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์มาวุ่นวายกับการหากับการดูแลรักษาราบยศสรรเสริญแล้วก็มาทุกข์กับการสูญเสียราบยศสรรเสริญสุขไปถ้าเราตัดความอยากคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ความอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขความอยากไม่ให้ราบยศสรรเสริญสุขเสื่อมนจออกไป พอตัดมันได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเราก็จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรเครื่องมือที่จะดับความทุกข์อย่างถาวรก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจด้วยเหตุด้วยผลเมื่อใจเห็นเหตุเห็นผลแล้วเห็นว่าการทำตามความอยากนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่การดับทุกข์ ก็จะไม่ทำตามความอยากต่อไปพอไม่ทำตามความอยากแล้วการเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไปความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปใจของพวกเราก็จะไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายประทับกันอยู่กันก็คือพระนิพพานที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ คืออนิสงส์ที่ได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้ำอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทําให้เราหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกจะหายสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด หาสงสัยเรื่องการยุติของการเวียนไหวตายเกิดจะทําให้เรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องว่าการทําตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์การไม่ทําตามความอยากนี้นําไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายแล้วใจของเราฟังแล้วก็เย็นสบายมีความสุขมีความสงบนี่คือความเป็นสิริมงคล เพราะเมื่อเราได้ความรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้ชีวิตของเรานี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเพราะเราจะดับความทุกข์ดับความเสื่อมเสียทั้งหลายให้หมดไปจากใจของพวกเราจรึงขอให้พวกเราหมั่นฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อฟังแล้วก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติ เพราะการฟังเพลงอย่างเดียวยังไม่พอฟังแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติผลต่างๆคือความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลก็จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติส e ักลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปการปติอิท um ิตังปัิตังตุมหังคิดเเมวาสมิจตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามานิโชติ 阿拉โสยทัสสะพิต so ิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิตสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง าลาดับต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดการถามตอบปัญหาต่อไปอ่านนี้ถ้าทางบ้านมีอะไรก็ถามมาได้ คำถามจากทางบ้านจากคุณนัฐการความเพียรชอบข้อ6ในมัสมีองค์8มีความเพียรสี่อย่างพึงรู้ได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นใช่หรือไม่คะถ้าเราไม่ปฏิบัติจะไปรู้ได้ไงข้อ1เพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นคือการสำรวมอินทรีย์ อย่าถือนิมิตของรูปนั้นอย่าลงรายละเอียดซึ่งเหตุซึ่งเป็นเหตุให้เราอาอกุศลธรรมมีความโลภอยากได้ของเขาความทุกข์ความเสียใจไหลาตามบุคคลผู้ไม่ระวังใช่หรือไม่คะอันนี้ไปคัดมาจากตารามาถามเราที่เกลียดตอบนะไม่ต้องไปตอบนะคุณไปอ่านแล้วคุณก็ไปทาตามที่คุณอ่านมาก็แล้วกันคำถามจากคุณ คหยาพอดูกายแล้วเริ่มมีสติเริ่มเห็นความคิดทั้งดีและชั่วพอมีความคิดเกิดขึ้นผมเห็นความคิดรู้ตัวว่าคิดแต่เหมือนว่าคิดว่ารู้ตัวซ้อนกันแล้วมันเกิดจะเริ่มหลงไปกับความคิดต้องทําอย่างไรต่อครับหยุดความคิดอย่าไปคิดให้ฝึกสติสร้างสติขึ้นมาพอหยุดความคิด ความคิดนี้มันเป็นความคิดที่ทำให้เราสับสนวุ่นวายพุ่งซ่านไม่ได้นำไปสู่ความสงบไม่นำไปสู่ปัญญาการที่จะนำพาเราไปสู่ปัญญาคือความสงบเราต้องหยุดความคิดต่างๆที่ทำให้เราสับสนภุ่งซานแล้วพอใจเราสงบแล้วเราก็คิดตามที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดก็คิดให้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่าง คำถามจากคุณบัลลึงษาคือผมไม่มีความรู้ด้านสมาธิเลยพบเพลพระอาจารย์บังเอิญจึงขอกาบเรียนถามว่าข้อหนึ่งอยากหัดทำสมาธิให้ภาวนาพุทธตอนหายใจเข้าโทตอนหายใจออกหรือภาวนาพุทธโท ร, รัวต่อเนื่องไปไม่ผูกกับลมหายใจไม่สนใจลมครับก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราชอบผูกกับลมก็ผูกไป ถ้าเราไม่ชอบผูกอารมเราจะใช้พุทธโธไปอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูลมไปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ความถนัดข้อสองถ้านั่งไปสักพักขาน็บชาควรเอาใจจดจ่อที่ขาชาหรือเอาใจไปสนใจที่พุทธโธ ท, ที่ลมหายใจครับควรไปสนใจอยู่ที่ว่าความอยากเรามีหรือเปล่าถ้าเรามีความอยากให้ความเจ็บชาหายไป เราก็จะทรมานเราก็จะนั่งไม่ได้ถ้าเราหยุดความอยากให้ความเหน็บชาหายไปได้เราก็จะนั่งต่อไปได้ในวิธีที่จะทำให้มันหยุดความเหน็บชาวิธีแรกก็คืออย่าไปคิดถึงความเหน็บชาให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธบริกรรมไปเรื่อยๆพอเราไม่ได้ไปคิดถึงความเหน็บชาความอยากให้ความเหน็บชาหายไปมันก็จะหายไปความทรมานใจก็จะหายไป ทำให้เราสามารถนั่งอยู่กับความเหน็บชาได้คำถามจากคุณสมพงศ์คนเริ่มปฏิบัติภาวนาใหม่แบบยังไม่รู้อะไรมากในคําสอนกับคนที่เคยเข้ามา ما, เข้าสมาธิจนจิตรวมได้รับความสุขเบื้องต้นในการปฏิบัติแล้วภายหลังสมาธิเสื่อมอยากจะเริ่มตั้งต้นใหม่ทั้งที่มีทั้งความจําเรื่องเคยปฏิบัติมาแล้ว และมีทั้งความจำในส่วนปริยัติที่เรียนมาแทรกเข้ามาด้วยจะมีอุปสรรคในการเริ่มปฏิบัติต่างกันไหมครับเพราะเวลาจิตจะรวมมักจะมีอาการแอบดีใจรู้ว่ามันจะรวมแล้วมันก็จะถอยออก ท, ทันทีควรจะกำหนดอย่างไรดีครับผิดกับตอนภาวนาใหม่ไม่รู้อะไรมากแต่จิตก็รวมของมันเองก็อย่าไปสนใจอดีตอย่าไป จำมันเวลานั่งสมาธิให้เดินอ ด, ดีให้อยู่ปัจจุบันให้ดึงใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไม่อยู่กับพุทโธลอบไปคิดถึงอดีตมันก็จะทําให้เกิดความอยากแล้วทําให้มันไม่สงบทําให้ไม่ได้ผลได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็ต้องทําเหมือนกัน ก็คือให้ใจมีสติอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากคุณมิกแมงโก้ตอนนี้เวลานี้ได้แต่สำนึกคำสอนของหลวงพ่อว่าอย่ากลัวความเจ็บอย่ากลัวความตายดูเหมือนมันจะไปได้ดีเมื่อใช้กลับกับตัวเองแต่พอมาเจอเข้ากับบุคคลใกล้ชิดเป็นน้องสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว กลับจิตใจฟุ้งซ่านสงสารน้องนึกถึงหลานอีกสองคนว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะทำอย่างไรให้สติไม่ฟุ้งซ่านคะก็เปรียบเทียบตัวเขากับตัวเราก็เหมือนกันร่างกายของเขากับร่างกายของเราก็เหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันที่ตอนนี้เราไม่ทุกข์กับร่างกายของเราเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอข้อสอบเราคิดว่าเราไม่กลัวเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอของจริง ถ้าเจอของจริงเหมือนกับที่น้องสาวเจอเราก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่เรามีต่อน้องสาวของเรานั้นแสดงว่าปัญญาหรือธรรมะที่เราเอามาใช้กับเรานี้ยังไม่ได้เป็นธรรมะที่มีกำลังที่จะดับความทุกข์ใจได้เพราะว่าตอนนี้ร่างกายเรายังไม่เป็นเราก็เลยคิดว่าเราไม่กลัว พอเราไปเห็นร่างกายของน้องเป็นเรากลับกลัวมันก็แสดงแล้วว่าความกลัวของเรานี้ยังมีอยู่เห็นเรา ว, วิธีที่จะดับความกลัวได้เราต้องหยุดใจต้องทําใจให้สงบเพราะเรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าร่างกายนี้มันต้องตายต้องเจ็บแ ล, ละเราห้ามมันไม่ได้แต่ความความทรมานใจของเราอยู่ที่ความอยากของเรา ความกลัวของเราอยู่ที่ความอยากของเราไม่ให้มันตายเราเราไม่มีกำลังหยุดความอยากนี้เรารู้ว่ามันเป็นต้นเหตุแต่เราหยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีความสงบเราต้องมาทำใจให้สงบถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะหยุดความอยากหยุดความกลัวได้คำถามจากคุณพาพานิภาพัน ทำอย่างไรให้เราอยู่แบบปล่อยวางได้ทำอย่างไรให้เราอยู่กับคนที่เขาทำให้เราทุกข์โดยที่เราไม่ต้องเป็นทุกข์คะก็ไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็จะไม่มากระทบกระเทือ น, นใจเราใจเราจะว่างใจเราจะเฉยเป็นอุเบกขาฉะนั้นหมั่นพยายามเจริญพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อย เวลาที่มีอะไรมากระทบกระใจก็ใช้พุทธโธปัดออกไปได้คำถามจากคุณปรียาการฝึกนั่งสมาธิเองที่บ้านถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะจะเป็นอันตรายอะไรไหมคะมันก็ต้องมีคนสอนแต่คนสอนนี่ไม่จาเป็นว่าจะต้องมาอยู่กับเราตลอดเวลาคนสอนก็เหมือนกับครูที่โรงเรียนเราไปเรียนหนังสือ เราก็ไปเรียนให้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างพอรู้แล้วเราก็าไปทําของเราเองถ้าทําไม่ถูกเราก็กลับไปถามครูได้เช่นเดียวกับการนั่งสมาธิการปฏิบัติทำเราก็ปฏิบัติของเราตามลําพังไปแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องไปศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนจากครูจากอาจารย์รูปใดรูปหนึ่ง พอเราได้คำสอนของท่านมาแล้วรู้วิธีปฏิบัติแล้วเราก็นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลเราก็ค่อยไปรา ง, งานไปปรึกษาอีกทีว่าทำแล้วทำไมไม่ได้ผลหรือทำแล้วได้ผลแบบนี้ถูกหรือไม่อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ถือว่ามีครูมีอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีครูอาจารย์มานั่งกากับเหมือนกับคนหัดขับรถคนหัดขับรถนี่คนต้องมีคนขับเป็นคอยขับ คมไปด้วยอันนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติปฏิบัติเองเวลาเรียนก็ไปเรียนกับครูอาจารย์ทั้งมีครูอาจารย์คําถามจากคุณแง่ชายเมื่อเข้าฌานสองแล้วกําลังจิตแข็งกล้าขึ้นร่างกายเกรงมือหงิกงอหน้าตาบิดเบี้ยวแยกเขี้ยวแม้จะถอนสมาธิออกมาแล้วแต่อาการนั้นยังไม่หาย พอแผ่เมตตาเหมือนมีพลังบางอย่างเคลื่อนย้ายออกจากกายออกไปแต่อาการกระตุกก็ยังไม่หายต้องพินิจกายร่วมชั่วโมงถึงจะเป็นปกตินี่คือสภาวะใดครับก็สภาวะของจิตของเราคำถามจากคุณพีรพงข้อหนึ่งผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจ็ดปีหวังพน้น หวังผลพ้นทุกในชาตินี้ที่ว่าตลอดเจปีหมายถึงต้องปฏิบัติทุกวัน24ชั่วโมงเต็มหรือวันละกี่ชั่วโมงครับก็ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นวเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องมีสติควบคุมใจแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวางตลอดเวลาข้อที่2ผู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นสโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกินเจครั้ง หมายถึงเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวหรือเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างครับก็ไม <g> ่ได <g> ้ทราบว่าเขากําหนดไว้ายังไงก็คิดว่าคงเป็นมนุษย์นั่งเพราะว่าที่เราพูดกันนี้มันพูดถึงเรื่องของมนุษย์เป็นหลักงั้นก็ก็คิดว่าเป็นเรื่องการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจเจดครั้งข้อที่สาม มนุษย์ที่ตายลงแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าทันทีมีเพียงโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นใช่ไหมครับ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกคนที่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปกอบาปก็ไม่มีแรงจะดึงไปสวรรค์บาปไม่มีแรงจะดึงไปอบายบุญไม่มีกาลังดึงไปสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้คำถามจากคุณณัทธวุฒิผมภาวนาโดยการดูอารมณ์ที่เข้ามาแรง ในระหว่างวันในขณะทํางานหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่เจอบ่อยคืออารมณ์โกรธแรกๆ ก, ก็พยายามมีสติให้รู้ทันอารมณ์โกรธมากขึ้นและก็ดูเหมือนว่าได้ผลโกรธน้อยลงมากๆแต่พอนานๆไปกลายเป็นว่ากลับมากลับมาที่เก่าอีคือไม่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์โกรธพยายามให้มีสติมันก็หลุดโกรธตลอด หลังๆกลายเป็นโกรธนานขึ้นไปอีกเกิดจากอะไรครับควรแก้ไขด้วยวิธีไหนดีครับก็เกิดจากสติเราไม่มีกำลังสู้ความโกรธได้นั่นเองความโกรธก็เลยแผงฤทธิ์ได้ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดมันได้ถ้าเราขี้เกียจจะรันสติมันก็จะมันก็จะสู้กิเลสไม่ได้ความโกรธมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆันต้องพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆนะครับ ้มมีกกลังาขึนไปเร่คำถามจากคุณพัดพัดผมไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดแต่อยากทำบุญถวายปัจจัยและอยากได้หนังสือจุลธรรมนำใจไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างครับ<อ>มีบัญชีโอนร่วมบุญบ้างไหมครับทางเราไม่สะดวกเราติดต่อกันถ้าใครอยากได้อะไรก็มาที่นี่ก็แล้วกันถ้าไม่มาก็ตัดความอยากไปก่อน หมดแล้วเลยอ่ะทีนี้คําถามทางบ้านคําถามสดจากทางบ้านนะคะคําถามจากคุณนพมาศจริงๆพุทธโธสองคำอา น, นิสงเยอะมากทดลองกับพี่สาวมาแล้วป่วยเป็นมะเร็งให้ทดลองภาวนาในใจต่อเนื่องทุกวันอยู่สองเดือนพี่สาวมีความอดทนอดกั้นความเจ็บปวดได้ดีเลยเย็นลง ผมไม่ยินมีคำถามเรื่อง <c oughs> มีติของถามเรื่คะ่ะคงจะบอกอา น, นิสงส์ของการเจริญพุทโธก็ดีคนฟังจะได้มีกำลังใจพุทโธนี้เป็นที่พึ่งทางใจได้เวลาทุกข์ใจไม่ว่าจะเกิดจากการแก่การเจ็บการพลาดพลาดจากใครจากสิ่งต่างๆถ้าเรามีสติเจริญพุทโธอยู่ได้เรื่อยความทุกข์ความทรมานใจจะเบาบางและอาจจะยังงับไปได้ ชั่วขา่าวแต่ไม่หายอย่างถาวอยจะหายอย่างท้าวรต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปต้องยอมรับความจริงว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วความทุกข์ทรมานใจจะไม่มีอีกต่อไปคำถามจากคุณณลินกรมมกิเลสกับกามมราคะต่างกันไหมหรือตัวเดียวกันครับ ก็ตัวเดียวกันเพลงเราจะเรียกชื่อกันต่างไปตามตามความถนัดบางคนก็เรียกกามราคะบางคนก็เรียกว่ากามฉันทะบางคนก็เรียกว่ากามารมมบางคนก็เรียกกามกิเลสมันก็ตัวเดียวกันบหมอคนเราบางทีมีชื่อหลายชื่อชื่อที่ทำงานก็ชื่อหนึ่งชื่อที่โรงเรียนก็ชื่อหนึ่งชื่อที่บ้านก็อีกชื่อหนึ่งก็คนคนเดียวกันอยู่ที่คนเรียกเขาอยากจะเรียกอะไร ถามว่ามาคําถามจากคุณพันณภาอยากให้ไม่ใช่ไม่ใช่คําถามค่ะขอโทษค่ะ mm. คําถามจากคุณเล็กโพช่วยอธิบายเรื่องเครื่องของเครื่องอยู่ของจิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่อยู่ของจิตได้เปล่าคะ <c oughs> คือเครื่องอยู่ของจิตที่แท้จริงนี้ต้องเป็นที่มีอยู่ในจิต เพราะถ้าเราไปอาศัยเครื่องอยู่ภายนอกเดี๋ยวเครื่องอยู่ภายนอกชำรุดหรือหายไปเราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาได้เครื่องอยู่ของใจก็คือธรรมคือสติสมาธิและปัญญาขอให้เราหมั่นสร้างสติสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะมีเครื่องอยู่ที่ถาวรจะไม่มีวันจากเราไปถ้าเราใช้เครื่องอยู่ภายนอกเช่นเครื่องคอมหรือบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้โทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวเวลามันหายไปเวลามันเสียไปก็เราก็จะขาดที่พึ่งทันทีงั้นเราอย่าไปพึ่งที่พึ่งภายนอกใจที่มาปฏิบัตินี่เพื่อให้เราปล่อยที่พึ่งภายนอกแล้วเรามาอาศัยที่พึ่งภายในแต่ที่พึ่งภายนอกอาจจะเป็นสะพานเชื่อมที่พึ่งภายในได้เช่นเรามีคอมมีโทรศัพท์เราก็ใช้เป็นสะพานเชื่อมธรรมะ ถ้าเราไม่สามารถมาวัดได้เดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านเราก็ติดตามฟังเทศฟังธรรมได้พอเราได้ทำแล้วเราก็เอาธรรมนี่แหละมาเป็นที่พึ่งแล้วเราต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องใช้มือถือเป็นที่พึ่งคําถามจากคุณวราวรรณการอาราธนาพะาระอรหันดําำลงธาตุขันเพื่อโปรยสัตว์โลกทําได้หรือไม่คะทําได้แต่ได้ผลหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า แต่ละองค์ท่านก็มีบุญมีบามีวิบากมากไม่เท่ากันบางองค์ก็อายุยืนยาวนานบางองค์ก็อายุยืนไม่ไม่นานแต่การอาราธนานี้เป็นการบอกเจตนาว่าเรายินดีที่จะให้ท่านอยู่กับเราเรายินดีที่จะสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่อย่างที่ตัวอย่างคือพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอนุนี้รับภาระหนักในการที่ ต้องมาปฏิบัติมาปนนิบัติให้กับพระพุทธเจ้าทําให้พระอาน์ น, นี้ไม่มีเวลาปิกวิเวกไปปฏิบัติทำขั้นสูงได้พระพุทธเจ้าก็สงสารพระอานุน์ก็เลยไม่อยากจะบังคับให้พระอนุนต้องมาปฏิบัติพระองค์อยู่ตลอดเวลานะพระองค์ก็ทรงตัดเป็นกลางๆไปว่าชีวิตของพระองค์นี้ถ้าจะอยู่ต่อไปให้ยาวกว่านี้ ก็อยู่ได้แต่วงเล็บอันนี้วงเล็บต้องมีคนมาคอยช่วยคอยปลิบัติเพราะคนแก่แล้วจะให้ทำอะไรเองทุกอย่างก็ไม่ไหวต้องมีคนมาช่วยล้างบา ท, ทรซักจีวรทำความสะอาดกุฏิศาลาเป็นเนขาอะไรต่างๆเหล่า น, นี้ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระอานน์นถ้าพระอานทน์ไม่ ไม่แสดงความยินดีที่จะรับผลนิบตัติพระพุทธเจ้าก็จะไม่อยู่ต่อเกินเกินความปกติของของชีวิตแต่ถ้าจะให้อยู่ต่อพระองค์ก็สามารถใช้พลังจิตนี้ยืดต่อไปได้อีกระยะหนึ่งเหมือนคนที่เขากเกษียณอายุแล้วทางบริษัทบอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยอยู่ต่อไปให้ทําต่ออีกาปีสิบปีเขาก็อยู่ต่อได้ แต่ถ้าทางบริสัน์เขาไม่ขอไม่เชิญให้อยู่ถ้าอยู่ไปก็ก็หาว่าหน้าด้านอยู่เราอยากอยากจะอยู่อันในพระพุทธเจ้าก็คงจะพูดในทรรนองนั้นว่าถ้าจะให้เราอยู่ต่อไปอีกเราก็อยู่ได้ อ, อวงเล็บเธอต้องอาลาธนาเราเอทีอ่พระอานนท์ไม่เข้าใจความหมายที่พุทธเจ้าทรงตัดไว้ก็คิดว่าเพียงเล่าให้ฟังเฉยๆว่า ถ้าจะอยู่ต่อไปเอกก็อยู่ได้แต่ไม่ได้คิดกลับมาว่าถ้าอยู่ต่อไปเราก็ต้องรับใช้ท่านต่อเราก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติเราจะยินดีที่จะทละเวลาที่เราจะไปปฏิบัติมารับใช้พระองค์หรือไม่พระอานนุ์ก็เลยไม่ได้อาลาธนาเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระอานุ์ไม่สามารถที่จะรับใช้ต่อไปได้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ยืดอายุของพระองค์เอง ให้มันไปให้มันหยุดไปตามอายุไขของมันคือพปด80ปีแต่พอหลังจากที่ได้ได้โป่งพระชนต์โป่งพระไทยแล้วว่าจะไม่ยืดอายุจะอยู่ต่อไปได้อีกสมเดือนพอบอกให้พระอนุนราพระอนุนก็ถึงกับร้องไห้ถึงกับขอขร้องให้อยู่ต่อพระพุทธาบอกว่าสายไปเสียแล้วเพราะเราก็ได้พูดไว้หลายครั้งแล้วเธอก็ไม่เคยขอให้เราอยู่ต่อ พอเราบอกว่าเราจะไม่อยู่แล้วเธอค่อยมาขอทีนี้เราได้ตัดสินใจไปแล้วพระพุทธเจ้าเราได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วจะไม่เปลี่ยนใจก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้อันนี้ถึงเป็นธรรมเนียมของลูกศิษย์โลกาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถ้าเราอยากจะให้ท่านอยู่ไปนานๆนะเราก็ต้องอาาธนาท่านเก้อ แสดงเจตนารมว่าเรามีความปรารถนาที่จะให้ท่านอยู่กับเราและยินดีที่จะรับใช้ดูแลปนิบัติท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่สั่งสอนอบรมพวกเราต่อไปอันนี้จึงเป็นธรรมเนียมของลูกศีลโลกหาที่จะอาราธนาครูบาอาจารย์ที่มีอายุมากแล้วว่าขอให้ท่านอยู่ต่อไปอย่าเพิ่งปองสังขารเลย ให้อยู่เป็นน่มโพน้่มใส่ต่ อ, อพวกเราต่อไปออจะเป็นอรหันต์หรือไม่อรหันต์ก็ไม่สำคัญว่าครูบาอาจารย์ไนแต่ระดับท่านก็มีคุณมีประโยชน์ออคำถามจากคุณธรรมชาติดูจิตในชีวิตประจำวันโดยไม่ได้ภาวนาทำถูกต้องหรือไม่คะการดูจิตนี่มันต้องดูดูด้วยเหตุผลกลไกอะไร ถ้าดูเฉยๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรการดูจิตนี้ดูเพื่อหยุดตันหาความอยากเพราะตันหาความอยากเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นการดูจิตก็ดูว่าจิตของเราตอนนี้ถูกตันหาลุ่มเล้าหรือเปล่าถูกความอยากต่างๆงุมเล้าอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องหยุดมันให้ได้เพราะถ้าเราหยุดความอยากได้ความวุ่นวายใจความเครียดความ พุ่งสร้างต่างๆก็จะหายไปอันนี้คือการดูจิตนี่ก่อนที่เราจะยู่ก่อนที่เราจะดูจิตได้หยุดตันหาได้เราต้องมาฝึกวิธีหยุดมันก่อนอย่างในเบื้องต้นเราอย่าไปดูให้เสียเวลาดูแล้วถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะหยุดตันหาได้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเราดูบ้านดูไม้ไฟไมหม้บ้านแต่พอไฟไหม้บ้านเราก็ไม่มีน้ํามาดับไฟดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเราอยากจะดูบ้านเพื่อรักษาบ้านไม่ถูกไฟไหมเราก็ต้องไปเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ก่อนพอเรามีเครื่องดับเพลิงแล้วเราก็ดูคอยเฝ้าบ้านไว้พอไฟจะลุกไหมเราก็เอาเครื่องดับเพลิงมาดับได้เลยถ้าเราดูเฉยๆโดยที่ไม่มีเครื่องดับเพลิงมันก็ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉันั้นถ้าเราหยุดใจไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้พอใจพุ่งสร้างขึ้นมาเราก็หยุดมันไม่ได้ ยันในเบื้องต้นเราอยากไปดูใจเราต้องมาหยุดใจด้วยการใช้สติหยุดมันใช้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ใจนิ่งใจสงบแล้วต่อไปเวลาใจเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเครียดขึ้นมาเราก็จะได้หยุดมันได้ถ้าเราหยุดได้แล้วต่อไปเราก็ดูใจได้แล้วดูว่าตอนนี้มันเครียดหรือไม่เครียดมันสงบหรือไม่สงบ ถ้ามันไม่สงบก็พุโทโธพุโทโธอัดเข้าไปเดียวเดียวมันก็สงบคำถามจากคุณพีชยัยทุกอย่างล้วนว่างเปล่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงถ้าไปยึดว่าเที่ยงเป็นตัวเป็น ต, ตนเสียก็จะเป็นทุกข์ขึ้นพิจารณาถูกไหมครับก็ทุกอย่างไม่เที่ยงถูกแต่ทุกอย่างว่างนี่มันคาว่าว่างมันมีหลายหลายความหมาย ในความหมายของอนัตตานี้ท่านหมายว่าว่าไม่มีตัวตนไม่เป็นของใครเชนร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวตนไม่เป็นไม่ได้เป็นตัวเราของเราเองแต่ความหลงไปทำให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราแท้จริงร่างกายนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมาจากดินน้ำลมไฟมาเป็นอาการสามสิบสองแล้วมันก็อยู่ได้ชั่วคราว แล้วพอมันตายไปมันก็สลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปอันนี้ก็คือคําว่าอนัตตาถ้าเราไปยึดไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยงไปอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราเราก็จะทุกขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราทีนี้บางทีเราไม่รู้ว่าไม่เป็นของเราเราไปหลงคิดว่าเป็นของเรา เราเลยต้องมาวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันจะอยู่กับเราไปได้นานสักเท่าไหร่จะ อ, อยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าเวลาตายไปแล้วเอามันไปได้หรือเปล่า เ, ออเราต้องพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเราก็ต้องมีการจากกันไปดังนั้นเราอย่าไปอยากให้อยู่กับเราไปตลอดอย่าไปอยากให้เป็นของเราไปตลอด เพราะวันดีคนดีมันอาจจะเป็นของคนอื่นไปก็ได้ถ้าเรารู้ทันล่วงหน้าเราไม่ได้ติดเวลาเขาไปเราก็จะได้ไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจคำถามจากคุณหนึ่งแสนทุ่มก่อนจะออกจากก่อนจะออกทางปัญญาผมพอทราบว่าต้องเกิดสมาธิมีปิติสุก่อนแต่ตอนนี้ปิติไม่เกิดกับใจผมแต่ภาพนิมิตต่างๆยังมีถ้าไม่ถึง ถ้าไม่ถึงสมาธิทำไมถึงมีนิมิตเหมือนเดิมแล้วผมจะออกทางปัญญาได้เลยหรือไม่ครับถ้ายังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือจิตว่างจิตสงบไม่คิดปรุงแต่งสกักเทาไหรุมันจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ดงนั้นพยายามภ า, าวนาไปเรื่อยๆให้มันผ่านพวกนิมิตอะไรต่างๆไปเวลามีนิมิตก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อย แ้เดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอจิตสงบแล้วจะมีพลังก็มีอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้จะเฉยๆได้พอเห็นอะไรก็จะไม่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าใช้ปัญญาสอนใจดังนั้นพยายามภาวนาต่อไปพยายามฝึกสติให้มากๆ ที่มันยังไม่สงบเต็มที่เพราะสติไม่มีกำลังพอที่จะส่งให้เข้าไปในจุดนั้นเหมือนกับรถที่วิ่งขึ้นเขาถ้ากำลังส่งไม่พอมันก็ขึ้นไปไม่ถึงยอดเขาไปได้ครึ่งเขาก็้อยก็ถอยกลับลงมาเราก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปใช้น้ำมันชนิดใหม่ที่มีพลังมากขึ้นเดี๋ยวมันก็จะส่งให้เราขึ้นไปถึงยอดเขาได้เอง ตอนนี้จิตเราเข้าข้างในไม่พอเข้าไปลึกไม่เต็มที่ก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังสติเรากำลังดึงใจเข้าไปสู้กำลังของกิเลส ท, ที่คอยผักใจของเราให้ออกมาไม่ได้เราจึงไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่คำถามจากคุณเอสปกาสี์ผมภาวนาพุโทโธเร็วๆมีสติดีความจาดี แต่ใจมันไม่นิ่งยังร้อนไม่เย็นกับอีกอย่างผมภาวนาพุโทโธช้าๆแต่เหมือนสติไม่ค่อยดีชอบเผลอแต่ใจมันเย็นไม่ร้อนอยากทราบว่าควรเลือกเอาแบบภาวนาพุโทโธเร็วสติดีแต่ใจไม่เย็นหรือเอาแบบภาวนาพุโทโธช้าใจเย็นแต่สติไม่ดีไม่รูไม่เข้าใจถ้าสติไม่ดีมันจะเย็นได้ยังไง มันต้องสติมันเย็นเพราะมันสติดีที่มันร้อนเพระาะสติไม่ดีเห็น sleep, ven, เอาสติดีเอาให้มันเย็นนะภาวนาแล้วให้มันเย็นก็แล้วกันถ้ามันเย็นเพราะสติไม่ดีก็เอามันบ้าแล้วมันไม่มีสติมันยังเย็นได้ก็เอามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันที่มันเย็นก re ็เพราะว่าสติมันดีหรือว่าเพราะว่าตัณหาไม่มีก็ได้เหตุหนึ่งที่ทําให้ใจเราร้อนก็เพราะอยากให้มันเย็นอยากให้มันสงบ พออยากแล้วมันก็เลยไม่ไม่เย็นไม่สงบพอเราไม่มีความอยากให้มันเย็นมันก็เย็นได้เิ็งนั้นเวลานั่งสมาธินี่อย่าไปอยากให้มันสงบอย่าไปอยากให้มันเย็นให้ใหอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆให้มีสติประคับประคองใจไปได้เรื่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นเองคำถามจากคุณพรเพงพักตอนนี้ฝึกใจให้มีสติแล้วมีคาพูดมากระทบใจให้มีความไม่สบายใจ จะต้องทำอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรดีคะก็กลับมาหาพุโทโธอย่าไปอย่าไปอยู่กับคำพูดของเขาถ้าอยู่กับคำพูดก็จะทำให้เราเสียใจถ้าเราอยู่กับพุโทโธเราก็จะเลิมคำพูดของเขาความเสียใจก็จะหายไปคำถามจากคุณผมชื่อไอเสือเวลาที่เราทำสมาธิแล้วเกิดพวังเราตื่นจากพวังแล้วรู้สึกปิติสดชื่น อันนี้เรียกว่าจิตรวมสมาธิหรือเปล่าครับแล้วจะทำอย่างไรต่อครับเวลาอยู่ในภาวนี้มันมีสองภาวน์ภาวน์ตื่นกับภาวน์หลับภาวั์หลับก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกตัวไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าหลับแต่ถ้าภาวงสมาธินี้จิตจะตื่นตัวจะตื่นเต้นมหาส์ใจเวลาจิตสงบนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคเห็นมาก่อน สนุกยี่ยงกาการไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวสูนสนุกต่างๆอันนี้มันมันมันมันมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้เราจะาถ้าแบบว่าหลับไป เ, เข้าพวังไปโดยที่ไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวังหลับพอตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเ บ, บ, บิกบานมีปิ ต, ติมันปิติจากความ หลับไม่ใช่ปิดติจากสมาธิถ้าจากสมาธิมันจะรองรู้สึกตัวตลอดเวลาหรือว่าเมื่อกี้นี้ใจวุ่นวายอย่างนี้ใจนิ่งใจสงบใจเย็นสบายถึงจะเรียกว่าเป็นผวังสมาธิก็คือวิธีปฏิบัติก็คือพยายามกลับมาปฏิบัติให้มันมากๆให้มันชํานาญถ้ามันเป็นผวังสมาธิถ้าเป็นผวังหลับเราก็ต้องมาแก้อย่าปล่อยให้มันหลับถ้านั่งหลับแล้วมันก็เหมือนกับนอนหลับมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร ก็ต้องมาแก้ถ้าง่วงนอนก็ลุกขึ้นมาเดินหรือถ้าว่ามันง่วงมันไม่ยอมเดินก็ลองอดอาหารดูผ่อนอาหารดูกินอาหารหน้อยๆให้มันหิวหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วงมันจะตื่นเวลานั่งมันก็จะไม่เข้าผวังหลับมันก็จะเข้าผวังสมาธิได้คำถามจากคุณโจ ว, วลากรทําไมเวลานั่งสมาธิสงบมากแล้วทำไมพอหลับในสมาธิแล้ว เหมือนหาะหมุอนออกไปในอวกาศแต่มีสติรู้ตัวอยู่แต่มันออกไปไกลมากไม่มีจุดจบเวิ้งว้างไปหมดพอดูมันว่าจิตมันจะออกไปไหนแล้วมันก็มาที่เดิมไม่ไปทำไมเป็นแบบนี้ขอรับทัานต่อไปต้องทำอย่างไรต่อครับก็อยู่ที่สติของเราถ้าสติของเราไม่ดึงมันไว้มันก็จะไปได้เหมือนมา้าถ้าเรามีเชือกผูกมันไว้มันก็ไปไม่ได้ พอเราตัดเชือกมันก็ไปจิตของเราถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ไปพอเราเผลอสติมันก็จะไปคำถามจากคุณขอตามเธอไปในทางธรรมเคยภาวนาแบบอสุภปาแล้วมีนิมิตมากมายเช่นเห็นโครงกระดูกมาเดินด้วยกันเห็นคนพังลงเป็นกองดินบางทีใจก็พูดออกมาว่าคนคนนั้นที่เรากําลังพูดด้วยเขาเป็นทาสี่ บางครั้งมีแสงสว่างออกมาจากกลางอกทะลุกระดูกคางเข้ามาตาเราทางทั้งที่หลับตาอยู่ตอนนี้พยายามพิจารณาตัวเองให้เป็นศพเน่าพังเดินบินไปตลอดเวลานิ้มีต่างๆไม่มีแล้วค่ะปฏิบัติถูกแล้วไหมคะคือการปฏิบัติเพื่อให้เห็นอสุภาพให้เห็นความตายเห็นซากศพนี้เพื่อมาตัดกิเลสตัณหา คือความกลัวตายหรือตัดกามอารมณ์ถ้าเราเห็นเฉยๆแล้วเราไม่เอามาใช้มันก็ยังไม่เป็นประโยชน์อันนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนมีดเราได้มีดมาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเอาไปฟันกิเลสเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกถึงอสุภะของคนที่เรามีความรักความใคร่ด้วยพอเห็นตับไตไส้พุงเห็นซากศพ ข, ของเขาเราก็จะหยุดการารมณ์ได้ เลยถ้าเรากลัวตายเราดูร่างกายของเราว่ามันต้องตายชั่ววันหนึ่งมันต้องกลายเป็นซากศพไปความกลัวตายหรือความไม่อยากให้มันตายมันก็จะหายไปเพราะเรารู้ว่ายังไงยังไงอนาคตนี้ร่างกายมันจะต้องเป็นซากศพอย่างแน่นอนที่เรากลัวกันก็เพราะว่าเราลืมไปเราไปเราไม่ไปคิดว่าเราจะต้องเป็นซากศพกันอันนี้ การเห็นซากศพของเราเห็นอสุภะของผู้อื่นนี่ก็มีไว้เพื่อเอามาทําลายความอยากหรือความความความหลงต่างๆเวลาเกิดความหลงเห็นคนอื่นเขาสวยความงามอยากจะได้เขามาเป็นแฟนก็ต้องนึกถึงอสุภะของเขาพอเห็นอสุภะของเขาก็จะไม่อยากได้เขามาแต่เห็นเขาเป็นซากศพนี่ยังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยู่หรือเปล่า ถ้าเห็นเราต้องตายไปเราจะไปกลัวตายทำไมยังไงก็ต้องตายอยู่ดีอันนี้บวนแล้วเหรอดีมีใครอยากจะถามต่อไหมอันนี้เข้ามาเท่าไหร่แะสอง้ว262สิบสองออันนี้ตัดเป็นตอนที่สองแล้วใช่ไหมแล้วของยูทูบมีกี่คนอะ 29่สิบ u ก้ยคนไม่เคยรู้จักรู้จักทาง Facebook ก็ดีเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งคนที่มาและคนที่ไม่ได้มาสมัยนี้ก็เป็นยุคของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่เป็นสบานเชื่อมให้พวกเราได้เข้าสู่ธรรมกันได้อย่างง่ายดายก็ขอให้เราใช้ประโยชน์ ใช้เครื่องม้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์กับเราให้น้อมทำที่เราได้ยินได้ฟังนี้เอาไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติคือความทุกข์ต่างๆจะเบาบางลงไปและหมดไปได้ในที่สุดความสุขต่างๆก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปตามลำดับจนมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวภายในหัวใจของพวกเราการแสดง